วิธีระงับตัชนียกรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสง์พึงระงับตัชนียกรรมอย่างนี้คือพวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าพิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลาย นั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญพวกกระผมถูกสงลงตัดชนิยกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยอ่อยิ่งกลับตัวได้พวกกระผมจึงขอระงับตัดชนิยกรรมพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละ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 ขอระงับตัชนิยกรรมสงระงับตัชนิยกรรมแก่พวกภิกษุนิสิตของพระปัญดุกะและพระโลหิตกะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับตัดชนิยกรรมแก่พวกภิกษุนิสิตของพระปัญดุกะและพระโลหิตกะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สอง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 พวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะเหล่านี้ถูกสงลงตัดชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยื่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับตัดชนียกรรมสง์ระงับตัชนียกรรมแก่พวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับตัดชนียกรรม แก่พวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงตัชนียกรรมสงระงับแล้วแก่พวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ตัชนิยกรรมที่หนึ่งจบ